รรท่านผู้มีจิตศรัรทธามีความเงื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สีมีนาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะความศรัทธาความเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดและเชื่อในการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดสรู้ เรื่องของบาปเรื่องของบุญและเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าถ้าอะเลสังสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์และได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐ พ่ะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปกับการกําเวลาเป็นอากาลิโกสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพ อ, อยู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็มีพลานุภาพทําให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใส บนรลุประโยชน์อันเลิศอันพระเสริมบรรลุเป็นพระอริยสงสาวงขั้นต่างๆได้ฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมลลีภารานุภาพเหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ผู้ใดมีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ผุ้นั้นย่อมได้รับผลเช่นเดียวกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับผลกันมาในอดีตการดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะลังเลสงสัยในเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพระเจ้าเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงให้เราหลุดพ้นจากการต้องไปเกิดในอบายให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นและมีวิรยิยะความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ถ้าศึกษามากปฏิบัติมากผลก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วถ้าศึกษาปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดมาช้าแล้วก็อาจจะไม่ทันการก็ได้เพราะเวลาของเรานั้นมีไม่มากถ้าเรามัวแต่ไปทําภารกิจอย่างอื่นไม่มาศึกษา ไม่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงผลอันเลิศอันประเสริฐได้ถ้าเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าเราอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้ ก็มีอายุไม่นานเกินห้าพันปีและการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งต่อไปนั้นก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอีกเมื่อไหร่อาจจะเป็นอีกหลายร้อยหลายพันปีก็ได้ถ้าเป็นดังนั้นกลับมาเกิดแล้วก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกเรื่องการทาบุญเรื่องการละ บ, บา เรื่องการชำระใจของเราให้สะบริสุทธิ์เราก็จะต้องทำไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบทำบุญจะชอบทำบาปกันเสียมากกว่าดังนั้นตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญก้าวหน้า ให้บรรลุมากผลที่ผ่านได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราตั้งจิตตั้งใจทุ่มเทเวลาให้แก่การศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนทั้งสามข้อนี้คือข้อที่หนึ่งสงสอนให้ทาบุญข้อที่สองสงสอนให้ละบาข้อที่สามสอนให้ชําระใจให้สะอาด คือให้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและหมดสิ้นไปถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้แล้วผลจะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้า บวชแล้วไม่ปฏิบัติก็สู้คนที่ไม่บวชแต่ปฏิบัติไม่ได้ผลที่จะเกิดเึ้นนั้นต้องเกิดจากเหตุเหตุนั้นก็คือการปฏิบัตินี่เองดังนั้นเราไม่ต้องอยกเว้นตัวเราเองว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศคารว่าหรือเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทุกคนมีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมีบุคคลต่างๆที่ได้บรรลุ ก, กันมาแล้วตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคาสอนมีทุกคนทุกเพศทุกวัยที่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ บางคนก็เป็นนักบวชบางคนก็เป็นคาลวา่าบางคนก็เป็นหญิงบางคนก็เป็นชายบางคนก็เป็นเด็ก <c oughs> มีทุกเพศทุกไลนไม่ได้อยู่ที่เพศวัย <c oughs> เพราะใจของเรานี้มันมีอายุเท่ากันใจของเรานี้ไม่รู้ว่าอายุนั้นจะมีกี่ร้อยล้านแสนล้านปีแล้ว ก็ใจของเราทนี้เหวียนว่าตายเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติแล้วเกิดตายเกิดตายอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานแต่ใจของเราไม่ได้เกิดตายไปกับร่างกายใจของเรานี้เป็นเพียงเป็นผู้ที่มาครองร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถยนต์รถยนต์ก็เป็นเหมือนร่างกายของเรา พอรถก่าพอรถยนต์เก่าเราก็เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่เราก็เปลี่ยนกันมาหลายคันแล้วแต่คนขับนี้มีอายุยืนยาวนานแขวร่างกายดังนั้นถึงแม้จะมาเกิดเป็นเด็กแต่ถ้าจังหวะได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้ก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีปรากฏมาแล้วในสมัย พุทธการมีสัมมาเนยบรรลุมัคคุนิพพานได้กอดเทระมหาเทระที่บวชมาหลายสิบปีแต่กลับยังไม่ได้บรรลุมัคคุนิพพานเพราะมหาเทระนี้ศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่นำเอาไปปฏิบัติจำได้หมดคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าสรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่ไม่เคยนำเอาไปปฏิบัติเลยทุกครั้งที่เวลาที่พระพุทธเจ้าได้พบกับพระมาหาเถระองค์นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอนี้เป็นเหมือนใบลานเปล่าเกิดมาบวชมาแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์จากจากทำคำสอนเพราะเธอไม่ไปปฏิบัตินั่นเองเธอศึกษาเธอจำได้หมด แต่การศึกษาอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงไม่สามารถยังประโยชน์คือมักผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้ต้องนำไปปฏิบัติเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งเข้าพระเถระองค์นี้ก็เลยน้อมเอาคำสอนของพระเจ้าไปปฏิบัติมุ่งไปหาพระอรหันต์ที่จะสามารถสั่งสอน ให้ท่านได้บรรลุได้อย่างรวดเร็วไปที่สำนักพระอราหันต์ก็มีพระอราหันต์ที่เป็นทั้งผู้ใหญ่และเป็นเด็กคือเป็นพระและเป็นสา ม, มเณรเวลาเข้าไปกราบเจ้าวาดขอศึกษาขอปฏิบัติด้วยเจ้าวาดท่านก็ทดลองใจทดสอบใจด้วยการปฏิเสธไปว่า เรามีพรรษาน้อยกว่าท่านไม่เหมาะที่จะสอนพระมหาเถระลองไปถามพระรูปอื่นดูท่านก็ไปติดก็ท่านก็ไปสอบถามพระรูปอื่นที่อยู่ในวัดดูที่เป็นพระทุกรูปนี้ก็เป็นพระอาหารหันแต่และรูปท่านก็ตอบเหมือนกันว่าท่านไม่ไม่คิดว่าจะเหมาะที่จะสั่งสอนพระมหาเถระจนในที่สุดก็เลยต้องไป ถามสัมมาเนที่เป็นพระอาหารหันเหมือนกันขออนุญาตให้สัมมาเนยเป็นอาจารย์สอนตอนต้นสัมมาเนก็ไม่กล้าตอบรับเพราะเห็นว่าพระผู้ใหญ่ท่านก็ปฏิเสธกันหมดแต่เจ้าว่าท่านก็พูดไปสั่งพูดบอกเนยมาว่าเนยเธอไม่สงเคราะห์ท่านบ้างหรือพอเจ้าว่าท่านพูดอย่างนั้น เนรสั ม, มเณรก็เลยรับพระมหาเถระไปเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนที่จะสอนนี้เนนต้องทดสอบดูจิตใจก่อนทดสอบอารมณ์ก่อนว่ามีความตั้งใจมีความเชื่อฟังหรือไม่จึงเอามหาเถระนี่มามารับใช้ก่อนมาล้างบาตรมากวาดกุฏิมาถูกุฏิแล้วก็ใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆ บางครั้งก็แกล้มใช้ให้ลงไปเอาของที่อยู่ในน้ำให้ลุยโดยลงไปในน้ำพอลงไปถึงจะหยิบของขึ้นมาสัมมาเนยก็บอกไม่เอาละเปลี่ยนใจไม่ต้องก็ได้พระหาเถระท่านก็ไม่สแสดงกิเลสอาการโกรธเคืองหรือโมโหโทสโูแต่อย่างใดจนในที่สุดสัมมาเนยก็เห็นว่ามหาเถระรูปนี้ ท่านว่านอนสอนง่ายท่านมีศรัทธาความเชื่อจริงๆท่านมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริงๆถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์จะเป็นสนัมนองตัวท่านเองเป็นมหาเถระแต่ท่านก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญสาคัญที่ว่าสัมมณนเป็นพาาาระอรหันต์ส่วนมหาเถระนี้ยังเป็นปุถุชนธรรมดาอย ในที่สุดสมัมมาเนยก็เลยสอนพระมหาเถระพอสอนไปได้ไม่ไม่นานพระมหาเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่คือการสั่งสอนอบรมคนในในพระพุทธศาสนาเราจะอบรมสั่งสอนกันอย่างนี้คือก่อนที่เราจะรับมาอบรมสั่งสอนนั้นเราจะต้องทดสอบดู ศรัทธาของเขาก่อนดูว่าเขามีความเรื่อมใสสศรัทธาว่านอนสอนง่ายหรือไม่วัดปฏิบัติวางวัดเวลาจะรับใครเข้าไปอยู่ไปบวชนี้จะไม่บวชให้ทันทีจะให้ไปอยู่เป็นภ้าขาวก่อนเพื่อที่จะได้ทดสอบดูว่ายังมีทิฏฐิมีการถือตัวอยู่หรือไม่ยัง มีความมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่มีความลบมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ในครูบาอาจารย์หรือไม่มีความขยันมีความอดทนหรือไม่จะไม่บวชให้ง่ายๆบางคนนี่อาจจะอยู่ต้องหลายเดือนกว่าจะได้รับอนุ ญ, ญาตให้บวชได้สมัยสมัยนี้วัดส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำอย่างนี้กัน ใครมีศรัทธาจะมาขอบวชก็รับบวชเลยส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้พระที่มีคุณภาพเท่าไหร่เหมือนกับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการสอบ e อ t r a n นซใครอยากจะเข้ามาเรียนก็เรียนได้แต่พอเรียนเข้าไปก็เรียนไม่จบกันเรียนแล้วก็ลาออกกันไปสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้น เวลาบวชก็ไม่มีการสอบเองชอนกันเวลาบวชแล้วก็นักจะศึกกันไปไม่อยู่กันไม่ปฏิบัติกันเพื่อให้หลุดพ้นจากมักผลนิพพานกันให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะว่าไม่มีศรัทธาที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง ที่บวชกันส่วนใหญ่ก็บวชเพื่อใช้นี่เกิดทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงนั้นต้องบวชจนบรรลุเป็นพระ อ, อริยาเจ้าก่อนแล้วก็สอนพ่อแม่ให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าในพระธรรม คำสอนและในพระอริยสงสารโลกจนสามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาได้ถึงจะถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณได้อย่างหมดสิน้นพระพุทธเจ้าทรงจักว่าถึงแม้เราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราอย่างดีแบกท่านไว้บนบาบให้ท่านอุจจะละปัสละลากใส่เราเยิงดูท่านไปจนวันตาย บุญของท่านที่มีกับเราบุญคุณของท่านที่มีให้กับลูกๆนั้นก็ยังใช้ไม่หมดวิธีเดียวที่จะทำบุญคุณของพ่อแม่ให้หมดไปได้ก็คือต้องสอนให้พ่อแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปคือถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะหลุดพ้นจากการที่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้กรรม ที่เคยทำมาอีกต่อไปถึงแม้จะเคยทำบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะกลับมาเกิดในสุขติจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และจะมีภบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือวิธีทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำกระทำมาแล้วคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าพ่อองค์ก็ทรงแรงยานหาดวงวิญญาณของพระพุทธมารดาผู้ที่ได้เสด็จสวรรคตไปหลังจากที่ได้ประสูติพระพุทธเจ้ามาเพียงเจ็ดวัน พอพระพุทธเจ้าได้บวชได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความระลึกถึงพระคุณของพระพุทธมารดาจึงได้ส่งกระแสจิตไปควานหาดูว่าตอนนี้พระพุทธมารดาอยู่ที่ไหนในที่สุดก็พบว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวลึงดาวดึงก็เลยได้สะได้ติดต่อกันทางกระแสจิตและได้อบรมสั่งสอนธรรมะ ให้แก่พุทธมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดนอบายต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรฉานเป็นเปรตหรือเป็นนรกพบชาติที่เหลือก็ยังเหลือเพียงไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นเองส่วนพระราชบิดานั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงโตรวจตอนที่ทรงประชวรหนัก ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเจ็ดวันก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่คือการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงต้องทดแทนด้วยด้วยธรรมะต้องทดแทนด้วยมรรคผลนิพพานให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วบุญคุณของท่านกับเราก็จะถือว่าหมดกันได้ แต่ถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งบุญคุณที่มีของท่านที่มีต่อเราก็ยังใช้ไม่หมดแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่เรายัางพยายามใช้กันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถบวชได้นานได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามอย่างน้อยมาบวชแล้วก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุขใจ มีความสบายใจตายไปก็ยังได้ไปสวรรค์หรืออย่างน้อยก็จะทำให้พ่อแม่เข้าวัดเพราะว่าถ้าเราไม่บวชถ้าพ่อแม่ไม่มีนิสัยที่จะเข้าวัดก็จะไม่เข้ากันแต่พอลูกมาบวชแล้วความห่วงใ ย, ยลูกก็จะทำให้พ่อแม่ต้องมาวัดบ่อยมาทำบุญพอมาทำบุญที่วัดก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้ว ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาได้ก็ศรัทธาที่จะเชื่อในบุญเชื่อในบาปเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดดังมีพ่อแม่หลายคนที่มีลูกมาบวชนตอนที่ก่อนที่ลูกจะมาบวชนี้ก็ไม่เคยมาวัดเลยแต่หลังจากที่ลูกมาบวชแล้วสึกไปแล้วพ่อแม่เขาก็ยังมาวัดเป็นประจำอยู่เพราะว่าเขามีศรัทธา ความเชื่อเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเขาเห็นคุณค่าในพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเพราะชีวิตของเขานั้นรู้สึกว่าดีขึ้นไปตามลำดับหลังจากที่มาวัดแล้วจิตใจรู้สึกว่าสุขสบายขึ้นมีความร่มเย็ยนมากขึ้นมีความโลภโมโทสันน้อยลง มีอารมณ์ว่ามุ่นขุนมัวน้อยหนุมมีความเศร้าหมองน้อยหลหนุมเพราะสามารถตรงได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดติดมากจนเกินไปนี่คืออนิสงส์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการมาบวชของลูกๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันก็ตามแต่อย่างน้อยก็จะ ทำให้ได้ทำบุญละบาปเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสที่หลังจากที่ตายไปแล้วโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่ายังไม่สามารถตัดการไปเกิดในอบายได้ก็ตามแต่อย่างน้อยโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับเพราะว่าทำบาปน้อยลงไปนั่นเองทำบุญมากขึ้นไป เพราะได้ยินได้ฟังพรอธรรมคําสอนของพ่อระพุทธเจ้าจึงทําให้เกิดความเชื่อในเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คืออนิสงส์สําหรับผู้ที่มาบวชและพ่อแม่ที่ที่ได้รับจากการบวชของลูกๆผู้มาบวชก็จะได้ศึกษาพ่อธรรมคำสอนได้ปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนพอมาบวชปัก็ต้องรักษาศีลถึง227ข้อเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้รักษาเลยหรืออาจจะรักษาได้บางข้อแต่พอมาบวชก็จะต้องรักษาทั้ง227ข้อทําให้เป็นผู้ที่มีระเบียบมีความเรียบร้อยขึ้นมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอน ได้รู้ว่าการเกิดมานี้เป็นเพียงการมาอยู่เพียงชั่วคราวคือร่างกายนี้มีอายุไม่ถาวรมีอายุเพียง8 0 9 0หรือร0อปีก็จะต้องหมดสภาพไปแต่ใจผู้ที่มาครองร่างกายนี้ไม่ได้หมดไปกับร่างกายใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผล ของบุญของบาป ท, ที่ทำไว้การทำบุญและทำบาปนี้จึงไม่ศูญเหมือนคนบางคนที่คิดไปว่าบุญไม่มีบาปไม่มีตายแล้วก็จบอย่างนี้เป็นความคิดของคนคนโง่คนตาบอดเพราะไม่เห็นใจนั่นเองไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน เป็นเหมือนรถยนต์กับคนขับรถยนต์ใจนีแลเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลตอจะไปรับผลบุญหรือผลบาปก็อยู่ที่บุญหรือบาที่ได้ทำไว้อย่างพวกเราตอนนี้ก็มารับผลบุญของผลของบุญและบาเราจึงมามีฐานะที่แตกต่างกันเพราะในอดีตเราทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันนั่นเอง บางคนทำบุญม า, มากกว่าทำบาปชีวิตก็มีความเจริญก้าวหน้ามีฐานะที่ดีกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าคนที่ทำบาสมากกว่าทำบุญคนที่ทำบาสมากกว่าทำบุญก็มากจะมาเกิดอาภัพวาสนามีอาการไม่ครบสามสิบสองพีกลพิการไม่ฉลาด มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆมีอายุที่ไม่ยืนยาวนานนี่เป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำบุญและทำบาปของเราในอดีตชาตินั่นเองชีวิตของพวกเราจึงไม่เหมือนกันทั้งๆที่มาเกิดในโลกเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันหรือมีพ่อแม่คนเดียวกันก็ตาม แต่สถานาภาพของเรานี้ต่างกันเพราะใจของเรานี่มาจากที่อื่นใจของเราไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันเราเรามาจากคนละที่กันเรามาจากชาติก่อนชาติก่อนเราทำบุญทำบาปมาไม่เหมือนกันสิ่งที่เราได้จากพ่อแม่ก็คือร่างกายร่างกายนี้ได้จากพ่อแม่หน้าตาอาจจะเหมือนกัน ถ้าเป็นฝาแฝดก็เหมือนกันเลยแต่จลิตนิสัยใจคอนี้ไม่เหมือนกันเพราะจริตนิสัยนี้ติดมากับใจใจในอดีตเคยชอบทำอะไรก็จะติดมาด้วยถ้าในอดีตชอบทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดพอมาเกิดในชาตินี้ก็จะชอบเข้าวัดชอบชอบเข้ามาทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรม ถ้าในอดีตชอบเที่ยวกลางคืนชอบเล่นการพนันชอบเดินสุรายามเราพอมาเกิดในชาตินี้ก็จะชอบอย่างเดียวกันเหมือนกันเพราะเป็นคนคนเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับเราที่เป็นคนเดียวกันเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เราอาบน้าอาบทาเราเปลี่ยนชุดใหม่จะเปลี่ยนชุดสวยหรือไม่สวย แต่นิสัยใจคอของเราก็ยังเป็นของคนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรารู้ว่านิสัยของเราไม่ดีเช่นถ้าเรามาวัดแล้วเราได้ยินได้ฟังว่าการทําบาปไม่ดีนิสัยเราชอบทําบาปเราก็พยายามแก้ได้แต่เวลาแก้นี้ก็จะยากหน่อยเพราะต้องฝืน เหมือนกับที่เราต้องใช้มือที่เราไม่ถนัดสมมติว่าถ้าเราถนัดมือขวาแต่พอดีมือขวาเราเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถใช้งานได้หรือแต่มือซ้ายเราก็ต้องมาหาใช้มือซ้ายใหม่เวลาใช้ใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ายากเพราะไม่เคยมันไม่ถนัดนั่นเองฉันใดเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนนิสัยของเรา เวลาเปลี่ยนนี้ก็จะรู้สึกยากตอนต้นแต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะง่ายเองเหมือนกับการใช้มือซ้ายที่เราไม่เคยใช้มาก่อนถ้าใช้ไปนานๆเข้าต่อไปก็จะใช้ได้อย่างชำนาญบางคนไม่มีมือไม่มีแขนทั้งสองข้างยังสามารถใช้เท้าวาดเขียนวาดรูปภาพที่สวยกว่าคนที่มีมือวาดด้วยเสียได้ซ้าไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกสอนได้แก้ไขได้ถ้าเรารู้ว่าเรามีนิสัยไม่ดีเราอยากจะแก้เราก็แก้ได้แต่เราต้องมังคับตัวเราต้องฝืนใจเราชอบกินเหล้าอย่างนี้เราก็ต้องฝืนทุกครั้งเวลาอยากจะกินเหล้าก็ต้องฝืนอยาไปจินมันใหม่ๆก็จะรู้สึกบุญจิตลาคาญใจ แต่ต่อไปความอยากก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราสืนความอยากกินเหล้าได้ความอยากกินเหล้าก็จะอ่อนกำลังลงไปอ่อนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะเลิกกินเหล้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรตายตัวทั้งทั้งความดีและความชั่วไม่มีตายตัวคนดีกับมาทําชั่วก็ได้คนชั่วกับมาทำดีก็ได้ อยู่ที่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าคนชั่วมีความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าทำบาปไม่ดีเขาก็อยากจะเป็นคนดีเขาก็กลับตัวเป็นคนดีได้เช่นเดียวกับคนที่เป็นคนดีแต่ถ้ามีความเห็นผิดเป็นชอบมีมิจฉาทิฏฐิก็อาจจะเห็นว่าการทำทาบาปนี้จะทำให้ตนเองเจริญ ก็ได้ก็อาจจะไปทำบาป ก, ก็ได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลที่ถูกต้องคือความสุขและความเจริญผู้ที่จะให้ความเห็นที่ถูกต้องกับเราได้ก็คือพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนและพระ อ, อริยสงสาวกถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เท่ากับการได้เข้าคบหาคบค้ากับบัณฑิตถ้าเราได้คบกับบัณฑิตเราก็จะได้ความรู้ที่ดีที่ถูกต้องมาเป็นแสงสว่างนําพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมเสีทั้งหลาย ในมงคลลสูดเพระพระเจ้าจึงทรงตัดว่าการคบบัณฑิตการไม่ครบคนพานเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองนี่คือเรื่องของการที่ท่านทั้งหลายมาวัดกันเพราะมีศรัทธาความเชื่อในบัณฑิตคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะเป็นผู้ที่นำทางเป็นผู้สอนให้เราได้เดินไปสู่ความสุขและความเจริญ ให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ขอให้เรามีความเชื่ออย่างนี้ไปให้มั่นคงถ้าจะให้มั่นคงเราต้องปฏิบัติตามเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเห็นผลเราก็จะไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดด้วยศรัทธาเพื่อมาทำบุญมารักษาสิล์ มาฟังเทศสังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้